สรุปทบทวนว่าผู้ใดที่ยังให้ทานยังรักษาศีลอย่างเจริญเนฆะคำมะยังเจริญปัญญาอยู่ได้อย่างยาวและต่อเนื่องเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนมีขันติมีความอดทนอย่างหลายท่านบอกว่าฟังรู้เรื่องมั้บ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็โอเ้โหนะฝนตกแดดออกก็อดทนจะร้อนจะหนาวจะเย็นก็ยังอดทนลักษณะนี้ก็เรียกว่าอดทนคำวมะอดทนนี่กับ อดทนหมายถึงว่ายังเจริญกุศลธรรมรักษากุศลรรธรรมเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องในทางศาสนาเนี่ยทำไมเขาจึงสรรเสริญบอกอพระเทระพระเทระเทระมาจากคำว่ามั่นคงมั่นคงหมายเขาว่าวูดทนแดดทนฝนมาตั้งสิบปีในการเจริญกุศลธรรมได้สิบปีนี่ก็เลยเรียกว่าเทระเพรางั้นทนทั้งสัตว์และสังขาร ท, ทั้งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเนี่ยนะตลอดระยะเวลาสิบปีก็เลยเรียกว่า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 ให้ใจเนี่ยเป็นฐานแห่งคุณธรรมเหล่านั้นหมายความหมายอีกในหนึ่งก็คือเป็นฐานรองรับกุศลธรรมเหล่านั้นนั้นเป็นอย่างดีนั้นคนที่ไม่มีอธิษฐานก็คือบอกว่าไม่มีฐานรองรับกุศลธรรมไม่มีฐานรองรับฐานนกกุศลไม่มีฐานรองรับศีลกุศลนั้นการสมาทานเนี่ยเป็นเหมือนกับฐานรองรับกุศลธรรมมันก็เลยเกิดการอธิษฐานสมาทานบ่อย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 รักษาเศนรวบรวมอุปกรณ์ที่จะเจริญเนคขมารวบรวมอุปกรณ์ที่จะทำให้มีปัญญารวบรวมอุปกรณ์ที่จะทำให้มีวิริยะมีขันติ น, นะมีสัจจะท่านจะต้องสมาทานรวบรวมธรมที่เป็นอุปการะต่อบารมีท่านจะต้องมีการอธิฐานอยู่ตลอดเวลาบางท่านบอกว่าอธิฐานก็คืออัตตะสัมมาปณิที่นั่นแหละตั้งใจอยู่เสมอ กุศลธรรมคุณงามความดีที่เราทาทำเนี่ยนะทุกครั้งที่เราทําทํเนี่ยเกิดจากความตั้งใจที่ผ่านมาแล้วถามว่าเราต่อต่อไปนี่เราตั้งใจจะทำอะไรบ้างเอาแล้วมาเช็คเหมือนกับอะไรนะสมุดเอาสรุปเป็นว่าทบทวนหมดอนะันตารางของชีวิตว่าจะต้องเจริญกุศลอะไรบ้าง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 หน้าฝนแล้วได้เวลาหวานแล้วเราอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆก็เลยใช้ต้นทุนสูงมากเอาข้าวเปลือกที่มีอยู่ทั้งหมดไปหวานหมดเลยพอหวานหมดแล้วเนี่ยบอกต้นข้าวมันกำลังเจริญงอกเงยกำลังเขียวชอุ่มยาวมาสักครบหนึ่งแล้วก็ไม่มีกินแล้วหมดกินพอดีเลยเพราะไอ้ต้นข้าวเหล่านี่นี่แหละแกทาให้ฉันอดอยากอ ย, กอยู่ทุกวันไอ้ต้นข้าวเอ้ก็เลยดีไม่ดีก็ถอนใหญ่เลยนะ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 เสียหายเสื่อมมาทุกวันเนี่ยก็เพราะทาบุญให้ทานก็คือเขาแยกแยกไม่เป็นแยกเหตุแยกผลไม่เป็นแยกบุญกุศลไม่เป็นแยกคุณงามความดีไม่เป็นพอแยกไม่เป็นก็เลยพอได้รับความเสื่อมก็เลยอะไรเสียจกเสียใจหรือบางทีเนี่ยนะไปประสบกับผู้ที่เจริญสงเคราะห์กับผู้ใดแล้วเขาไม่ไม่กระตันอยู่เป็นต้นเนี่ยนะไม่กระตันอยู่ อะกตันยูอีกต่างหากอะกตันยูมาอะกตะเวทิตานะ่ทั้งเขาเรียกว่าแทนที่จะเขาบอกว่าไม่ขอบคุณเฉยๆเดินจากไปก็ยังดีแต่นี้ไม่ขอบคุณแล้วยังกลับมาเหยียบเ่งแล้วก็เดินจากไปเนี่ยนะแหมมันเครียดแค้นมากโกรธแค้นมากอุตส่าห์ช่วยใช่ไหมช่วยแบบพระโพธิสัตว์ช่วยพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะช่วยเขาเสร็จนะี่นะช่วยเขารอดตายแล้วเขากลับมาทุบหัวตัวเนี่ยนะแล้วเขาก็เดินจากไปเป็นต้นเนี่ยแหมมัน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 ในทวารหกเลยนะอย่างเช่นลืมตามองเห็นอะไรบั่งที่เห็นแล้วให้ไม่ได้มันนาทวารหูที่ได้ยินเนี่ยนะมีเสียงไหนบั่งที่ให้ไม่ได้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายหรือสิ่งที่เราคิดถึงที่เรียกว่าสิ่งดีๆเนี่ยให้ได้หมดเลยลักษณะนั้นก็เรียกว่าลักษณะของทานเรียกว่าน้อมไปเพื่อบริจาคเป็นลักษณะแล้วก็มีการกําจัดความโลภในทายธรรมเป็นรสคือกิจกิจก็คือกําจัดความโลภโดยส่วนเดียว มันจะมีความโลภความพอใจในสังขารเหล่าใดก็กำจัดความไม่ใช่กําจัดอารมณ์นะแต่กําจัดความยุติดของใจที่มีต่อสัพพะข้าวของหรือเรียกว่าทายธรรมเนี่ยนะดีไม่ดีเรียกว่ า, รรนะวาชอบอะไรอาวันนั้นให้ทานด้วยซ้ําไปนี่อย่างการให้ทานเนี่ยนะอย่างถ้าอย่างอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้ที่นับถือพระรตนะตรายเป็นต้นถ้าให้ทานเนี่ยนะ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 ทำยากจริงๆอย่างอย่างบางทีอย่างให้ลูกเป็นทาสเนี่ยถามว่ารักลูกไหมรักมากแล้วให้ใครให้ชูชกอย่างเงี้ยนะไม่ได้ยกให้แบบนะถ้ายกให้ลูกแต่งงานกับคนดีมีสกุลหรือยกให้ไปเป็นทาสเขาด้วยนะเอาไปเลยเอาไปเป็นทาสนาะยอยากได้ก็เอาไปเราไม่แต่คนหนึ่งะมีรักพนางมัศรีเนี่ยรักมากโอก็เดินมามาขอก็เอาไปเลยเอาไปเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่ท่านสามารถกําจัดความยึดติดในในสิ่งเหล่านั้นได้จริงๆเนี่ยนะ แต่พอคิดอย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าบางคนก็ไม่เห็นอะไรนะบริจาคแต่ว่าก็อย่าร้างกันไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมที่อย่าร้างอ่ะทนได้ในชะ่ที่ทําบุญนี่ทนไม่ได้สมมติถ่าลูกให้ลูกไปเป็นทหารเนี่ยดีใจไหมบอกดีใจมากอนะโอ้พอใจไหมที่ลูกไปเป็นต้นไปเป็นทหารบอกพอใจมากเลยยิ่งเป็นแม่ทัพแล้วยิ่งดีใจใหญ่เลยใช่เสร็จแล้วไม่ได้กลับมา ถ้าไม่ได้กลับมาที่อย่างนั้ น, นทนได้ใช่ไหมแต่ถ้าให้แบบให้สลักไปทำบุญเป็นต้นกลับทนไม่ได้ก็เนื่องจากวิจารณญาณของสัตว์ทั้งหลายนั้นวิบัติแต่ว่าสรุปสรุปนะย้อนกลับมาว่าถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านกําจัดความโลภความยึดติดในทายธรรมได้ท่านมีวิธีคิดจนสามารถกําจัดความยึดติดแล้วสามารถที่จะอาศัยเหตุการณ์เหล่านั้นจเจริญกุศลได้ทีนี้บางคนเนี่ยนะบอกโอ้ทำไมนะ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 ความสามารถเหล่านั้นเนี่ยปรากฏออกมาว่าท่านทำได้จริงๆอีกในหนึ่งก็บอกว่ามีภวะสมบัติหรือวิภวะสมบัติเป็นตจจุปฐานก็เนื่องจากว่าผลของการให้ของพระองค์เนี่ยทำให้ท่านเกิดในสุขติที่ดีเนี่ยนะผลของการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดในมนุษยสมบัติแล้ว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 ผู้ที่เดือดร้อนลำบากในเรื่องของวัตถุเป็นต้นก็เพราะให้ทานมาไม่ดีเพราะะฉนั้นผลของการให้ทานนี้ก็คือโภกกระซับเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องวัดของผลว่าอดีตให้ทานมามาเป็นอย่างไรเนี่ยนะแล้วก็ ก, ก็ก็เห็นชาติอันหนึ่งนะก็บอกว่าคนที่มากไปด้วยโภกทระซับเนี่ยโดยมากเขาจะคิดให้กว่าคนที่เดือดร้อนในเรื่องโภกทระซับเนี่ยนะคนที่มีโภกกระซับเท่าไหร่จใจน้อมไปเพื่อจะให้มากเท่านั้นต่างจากคนที่ กันดานในพวกขัพย์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นผลออกมาก็คือผลที่ปรากฏออกมาเพราะเป็นผลของท ร, ร ม, มาดีหรือทำมาไม่ดีเนี่ยนะทำมามากหรือทำมาน้อยก็ชาตินี้ก็หลายๆอย่างก็วัดกันแบบเห็นๆอยู่แล้วเนี่ยนะอนาคตต่อไปบอกตัวเองได้เลยใช่ไหมพยากรณ์ตัวเองว่าชาติหน้าควรจะมีฐานะอย่างไรโตพยากรณ์ได้เลยว่าอนาคตชาติควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะควรจะอยู่ในฐานะไหนเดือดร้อนปัจจัยสี่หรือว่าไม่เดือดร้อนเป็นต้นก็ดูเอากันแล้วกัน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 คนที่ฉลาดก็เขาบอกทำยังไงที่จะมีวัตถุเมื่อมีวัตถุแล้วจึงจะให้ต่อไปอนะไม่ใช่โอ้รอให้มีซะ ก, ก่อนแล้วค่อยค่อยคิดให้เนี่ยนะเขาน้อมไปว่าจะให้ได้อย่างไรเพราะแต่ว่าอะไรบ้างควรให้ก็ตั้งไว้ว่าอะไรควรให้ก็สามารถน้อมไปเพื่อการให้เพราะนั่นเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะก็คือทายาททำทุกอย่างอย่างบางคนเนี่ยนะเขาเขาเก่งจริงเขาเห็น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 ทะลักออกมาไม่ยอมให้ร่วงออกมาสังเกตดูนะกระเป๋าสตางค์เนี่ยพอทําท่าดูท่าจะรั่วหน่อยหนึ่งแหมรักษาอย่างดีนะรีบเย็บรีบเปลี่ยนรี บ, รบอะไรเพื่อจะรักษาผลประโยชน์นะอยู่ตรงไหนก็รูดซิปอะไรอย่างดีเพราะอะไรเพราะกลัวตกกลัวกลวกเสียหายไปแต่ถ้าเราเห็นว่าศีลเป็นทรัพย์อย่างนั้นเมื่อใดเราก็จะระมัดระวงังแล้วก็สํารวมสังวร อ, อย่างเต็มที่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 หรือมีความสุดจิจิตใจนั่นแหละสุดจริตกายสุจริตวาจาสุจริตใจนั่นแหละเป็นอาการปรากฏของผู้มีศีลเหตุใกล้เหตุ ใ, ตใกล้ ก, ลก็คือเหตุใกล้แปลว่าเคารพตนพูดแบบในฐานะเราทั้งหลายพุทธบริษัทเนี่ยนะเกรงใจตัวเองกับเกรงใจพระพุทธเจ้าเลยเป็นผู้มีศีลเกรงใจตัวเองนะที่จะทําชั่วบอกเราทําชั่วอย่างนี้ได้ยังไงเกรงใจตัวเองเดี๋ยววันหลังตัวเองจะตําหนิตัวเองเกรงใจตัวเองมาก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 เคารพตนเคารพตัวเองเกรงใจตัวเองเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจสัพพมจารีผู้มีคุณธรรมทั้งหลายก็ทําให้ไม่ทลักความเลวร้ายออกมาส่วนเนเขมมะบา ร, รมีเนี่ยนะเนเขมมะมีการออกจากกรรมและออกจากความมีโชคเป็นลักษณะอย่าลืมว่าเนเขมมะที่ที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์เห็นไ้ยไม่มีกินแล้วออกบวชใช่ไหมศึกษาดูในพระไตรปิฎมีไหม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 เพราะนั้นออกจากโชคจากวาสนาเหล่านั้นนะที่จะสมบูรณ์ภูมิสุขด้วยพหุคศเป็นต้นหรือออกจากวัตถุกรรมนะออกจากวัตถุกรรมและออกจากกิเลสกรรมออกจากวัตถุที่น่าปรารถนาหน้าพึงพอใจได้นะ